ขหวงสองพระราชดำ m หลักพระราชทานแาก่ตุลาการฐานปกครองสูงสุดเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิ ญ, ญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระตำหนักเตรียมสุขวางใจั ง, งนวนอเภหัวหินจประจวบคีรีขันธ์วันอังคารที่25เมษายนพุทธศักราช2549ที่ได้ปฏิ ญ, ญาณ น, นั้นมีความสำคัญมาก เพวกว้างขวางหน้าที่ของผู้พิพากษาหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองมีหน้าที่กว้างขวางมากจึงเกรงว่าท่านอาจจะนึกว่าหน้าที่ของผู้ที่เป็นศาลปกครองมีขอบข่ายที่ไม่กว้างขวางที่จริงกว้างขวางมากในเวลานี้อาจจะไม่คนพูดแต่อย่างเมื่อเช้านี้เองได้ยินเขาพูดเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแโดยเฉพาะเรื่องเลือกตั้งของผู้ที่ได้คะแนน แล้วก็เขาเลือกตั้งอยู่คนเดียวคือมีความสำคัญเพราะว่าถ้าไม่ถึงยี่เ็นแล้วก็เข้าคนเดียวในที่สุดการเลือกตั้งไม่ครบสมบูรณ์ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับท่านหรือเปล่าแต่ความจริงน่าจะเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีจำนวนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งพอก็กลายเป็นว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยดาเนินการไม่ได้ ถ้าดําเนินการไม่ได้ที่ท่านได้ปฏิญญาเมื่อสัก c h นี้ก็เป็นหมันถึงบอกว่ า, า จ, จะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้การปกครองแบบประชาธิปไตยต้องดําเนินการไปได้ท่านก็เลยทํางานไม่ได้และถ้าท่านทํางานไม่ได้ก็มีทางหนึ่งขณะจะต้องลาออกเพราะไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาไมได้แก้ปัญหาที่มีอยู่ต้องหาทางแก้ไขได้เพระอาจจะบอกว่าต้องไปถามสารรัฐธรรมนูญ แต่ฟังกัน